อาจะมาทำสองวันนี่ยมันรู้เนี่ ย, ยพวกเธอทำสามปีเจไม่ท้ออาจะมาทำสองวันติดรวมกับบ้าอะไ น, นั่นนี่เป็นยังไงเป็นยังไงเดินจงกรมดีกว่านะเดินจงกรมเนี่ยเดินไปไม่ต้องว่าซ้ายยางหนอขวายางหนอไม่ต้องพูดยกส้นหนอยกหนอไปหนอลงหนอกดหนอถูกหนอไม่ต้องพูดอาจะมาทำมาแล้วเรื่องนี้ทำแล้วไม่เกิดปัญญา อันนี้เขาเรียกว่าวิธีผมยุกอาตมาทําอย่างน้อยต้องเป็นเวลาแปดีเรื่องนี้มันเหลือไปแล้วเมในตำนานบอกว่าจิตปีนี่อาตมาทํามาเป็นเวลาซาเกือบแล้วแปดปีพื้นทามายกซ้นหนอยกหนอไปหนอลงหนอถูกหนอกดหนอได้ชานเขาว่าอย่างมันจะได้ชานทําไมมันจำเอามาพูดเอาไม่ใช่ชานีชานแต่ว่ารู้อาตมาก็เลยตัด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 ก็ราะมันองบมืดมืดอะไรสงบให้รู้อันเดินไปก็ให้รู้นั่งกินข้าวก็ให้รู้นี่เป็นวิธีเดินจมกองไม่ใช่ว่าเดินจมกองเดินทั้งวันไม่รู้สึกตัวเลยอันนั้ก็เต็มทีเลยเดินไปจนตายไม่เป็นอย่างไงไม่ใช่เดินยังไงเดินก้าวไปก้าวมารู้นี่คว่าเดินจมกอเดินจมกองก็หมายถึงเปื้อนอิริยบทนั่นเองให้เข้าใจว่าเดินจมกองนี่เพื่ออะไรเนี่ยเปือนอริยบทเราจะทําอะไรจะปลูกบ้าน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 คนที่ห้าเนี่ยือว่าเอาพ่อเอาแม่ขึ้นไป็นสวัสดีไปวันนี้เปรียบพระบีหลายเรื่องวันนี้ไปจุดไฟอันนี้มันเรื่องปรนะหลามปรลาเนี่ไปจุดไฟพ่อแม่ตายจะไปตกนรกอะไรแบบนี้ไปเห็นผ้าเจว๊ยวอของลุงยันที่คุณวัดสันที่นะี่ยประเดี๋ยเห็นแสงไฟไม่เคยรู้แสงไฟคนพูดภาษาไม่ไม่รู้เรื่องเลยอ๋อแดงแดงนั่นถามถามเจ้าอยู่ปิบาลแดงแดงอั้นมาอะไรไฟไฟนรกอ่ะ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 บุญไม่ใช่เราทำไทยในใทันนะให้แนะนมาให้ท่านทําผมรู้สึกเอาเองเอ า, อางนันนี่นเนี่ยทำคมรู้สึกให้ท่านบุเรามาทําออกพีให้ได้ทานลูป ก, กูเดียวบุแม่แล้วพระพิษท่านคอยเนี่ยตาขาตาโลตาภากาตาเลยไปได้ยังาาาาไงเนี่ยตาขาตาโลตาภากตาเลยถ้าสภาคตไปเป็นเพียงผู้แน่แนวเนี่ยการประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเธออันนี้กะเมื่อพระเจ้าสุบโทธนะนี่จะตาย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 ไปได้เป็นนล้อันนี้ก็รู้ไอเรอย่างน้เนี่ยวันในวันที่จะปีสองปีก็รู้ไขนาดนอนนากันทุกวันหนูไข่คนนอนสองคนนี้นอนนนติดกันนอนนําทุกวันทุกวันนี่ยอาตมาก็ใจว่บกเบิกสบมือก็ต้องโอ้ยรู้ในวันนี้เราท็ไปได้พูทุกวันรู้ทุกวันแล้วก็ทุกวันทุกวันผพรู้ขึนอันนี้เป็นว่าสนองบุญคุณของกองยวเราก็ต้องรู้ตามนั้น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 สติตัมปสัญญาบันนี้คำว่าตามพระเจดอันนี้คาว่าวิวิปสติบัพภะนี่เขว่าเหมืนสติปัพภะบัพภะบันนี้ว่าภาษาไทยเขาเรียกขำว่าเจ้าสติปัพภะแก่ตำราไทยเขาอาจิบุเจอเขาไปพบในพระไจดิโันสติสัพภะบันนี้สัตวนุสิเขาเอิ่สัมปสัญญ คันว่าตามตัวที่มาว่าเขาเอิ้นสติปัจฉะเรียกตำราเขาในบทบรรณี่เขาโยหาว่นี่ของใหม่หลวงพ่อเคยสอนอยู่สรมบ้านเลยมแม่นม น, ม น, นของใหม่จริงมันจริงแม่ของใหม่ยังไม่ถือเรายังก็แม่ให้ไม่เห็นถ้าเป็นการถูกต้องเปล่ า, ถ, าถ้าเกิดสอนท่าอย่างเงี้ยเราไม่ไ ม, ไม่บาปอันนี้จะพูดคือเรารู้แค่นี้เราต้องสอนแค่นี้รู้จริงเนี่ยเราผมกำมือนี้รู้จริงโอ้นี่สติก็ไปสอนคนนั้นเดือด ทำมือไม่ร well, we you know, ู้จริงไหมเอาเพียงแค่นี้จะไปสอนเนื้อเลยเราเขียนขอใกล้ไปจีไปสอนขอไข่ผิดเราเขียนขอไข้แล้วทีไปสอนโยอผู้ยืมมันผิดแล้วถ้าเกิดปัญญารู้แล้วค่อยสอนมันไม่ดีอันนั่งกระดีเหมือนกันอันนี้อันนี้พระพุทธเจ้าเคยประจำดีเขาเธอเป็นพระอรหันต์แล้วยิงจะไปสอนคนถ้าครับเธอตายแล้วเธอจะได้สอนไหมก็มันยังไม่เห็นใจแจ้งกันจริงตอนโยนลูกเท่าใดให้สอนเท่านั้นเพราะว่าจะผิดอะนี่ใช่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 เธอรู้จ yeah. ักเพียงดูลมหายใจเธอกคต้องสอนให้ดูลมหายใจเท่านั้นไม่ให้สอนนอกเหนือควารู้เราไปอย่างที่อาจารมาพูดเนี่ยอาจารมาเขาทํามาหลายแบบกันเรารู้หลายแบบวิธีเจนี้อาจารมาสอนทุกแบบมันก็สอนไปทัวร์ตัวเตือไม่ใ่เไม่ใวัดเจนวันรู้ไปพระรหัสนี่ยังสอนไหมใช่อย่าไหมอันนี้อาจารมาพูดความจริงนะอาจามาสอนแม่บ้านอาจารมาในบ้านในรู้จักไหมรู้จักในบ้านอาจามาเรยว่ามีอย่างนี้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 เขาจะว่าจะในเขาด่าไปแล้วจําเป็นต้องเขาได้ อ, อันนี้การะมือกันคนตกน้ำต้องกระโจนทันทีอันนี้คนตรงนั่นงกับพวกเราเนี่ยบริหารโลต้องฮีโร่ทันทีเพื่อนบุตรตาเราตายแล้วบริหารโลกพมมึ่นสมมุติหลายเรื่องท่านพระเจ้ามีปัญญาคนมีปัญญาเล้เคยรักษาศีลไหมครับเคยเคยรักษาศีแต่ไ ม, ไม่ทําไม่ไม่ทําอย่างนี้จะรู้สึกไหมรู้อย่างนี้ไหมอย่างที่เอามือสัมพันสกันในรู้ไหมรู้ไหม